วันหนึ่งแทจท่านบิดารับราชการอยู่ในกรมราชทัณฑ์จะอยู่มาวันหนึ่งมีนักโทษประหารคนหนึ่งซึ่งถูกปรักปรําโดยไม่ได้ทําผิดอันใดเลยท่านบิดาสงสารมากจึงปลอบใจนักโทษว่าอย่าเป็นทุกข์ไปเลยจะช่วยเหลือนักโทษจึงปรับทุกกับพัญญาว่าเราทราบซึ่งในบุญคุณอันนี้ยิ่งนักแต่น่าละอายใจที่เรายากจนมาก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 ทั้งหมดนี้จะต้องใครครวญให้ท่องแท้หากกระทำความดีโดยไม่อาศัยเหตุผลแล้วไซ้ความดีนั่นอาจจะให้ผลร้ายเป็นบาปไปก็ได้เป็นการสูญเปล่าไม่ได้ประโยชน์อันใดเลยทีนี้พ่อจะมาพูดให้ฟังทีละข้อข้อแรกการทำความดีนั่นทำแล้วดีจริงหรือไม่ในสมัยรัชวงศ์หยวนพุทธศักราช1271 ถึง 1,368 มีพระเทรรรูปหนึ่งมีนามว่าท่านจงฟงฮ่องเต้นในสมัยนั้นได้สถาปนาท่านเป็นถึงสังฆราชมีท่านมีคุณธรรมล้าเลิศมีคนไปนมัสการท่านมากมายอยู่มาวันหนึ่งมีพวกนักศึกษาลัทิคงชื่อได้พากันไปนมัสการท่านคราบฐานท่านถึงปัญหาหนึ่งว่า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 ถ้าช้ทัศนะของชาวโลกก็จะวินิจฉัยได้แง่มุมในทางโลกถ้าใชายทัศนะทางพุทธธรรมก็จะวินิจฉัยได้แง่มุมในทางธรรมผันบุตรชนคนธรรมดาไม่สามารถจะมองเห็นได้จำแจ้งท่าเพราะฉะนั้นการวินิจฉัย ใ, ในทัศนะทางโลกจึงไม่อาจถูกต้องเสมอไปบางทีคนดีก็มองไปว่าเป็นคนไม่ดีส่วนคนไม่ดีก็มองเห็นว่าเป็นคนดีไปก็มี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 ตีเขาก็ดีดุด่าว่ากล่าวก็ดีล้วนแต่เป็นการกระทําดีทั้งนั้นถ้าเพื่อประโยชน์ของเราเองเราจึงอ่อนน้อมต่อผู้อื่นทําความคารวะต่อผู้อื่นนี่เป็นความดีปลอมไม่ใช่ดีจริงฉะนั้นการกระทํำใดๆก็ตามถ้าทําเพื่อประโยช em, น์สุขของผู้อื่นแล้วไซ้เป็นความดีจริงทั้งนั้นถ้าเราทําเพื่อประโยชน์ของเราเองก็เป็นดีปลอมทั้งนั้นถ้าเราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจ มีความจริงใจไม่หวังสิ่งตอบแทนจึงจะเป็นความดีที่ดีแท้หากยังต้องการอา m i t สินจ้างรางวัลถึงจะทําความดีความดีนั้นก็เป็นดีปลอมเพราะฉะนั้นก่อนที่จะกล่าวว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนั้นไม่ดีคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีก็จะต้องพิจารณาใครครวนทุกแง่ทุกมุมเสียก่อนมีฉะนั้นการวินิจฉัยของเรา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 มีกฎหมายอยู่ข้อหนึ่งหากราสดอนในแคว้นหลู่ถูกจับไปเป็นเฉลยในแคว้นอื่นหากมีคนไยออกมาได้ส่งคืนแคว้นหลู่ไปก็จะได้รับเงินจํานวนหนึ่งเป็นการตอบแทนเพอสมัยชุนชิวนั่นต่างก็ตั้งตัวเป็น อ, องกันรบราค่าฟันเพื่อชิงเขตแดนกันจับเฉลยศึกได้ก็นําไปเป็นข้าทาสทั้งหญิงชายแคว้นลู่น่ะเป็นแคว้นเล็กๆไม่ค่อยจะมีกําลังไปสู้รบกับใครนะัก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 เมื่อท่านของจือทราบเรื่องข่าวท่านก็โกรธลูกซีของท่านมากท่านบอกว่าแคว้นหลูนั่นคนจนมากคนรวยมีน้อยต่อไปเนี่ยคงจะไม่มีใครกล้าไปทายเฉลิยศึกอีกแล้วเพราะท่านจือก้องไปทําตัวอย่างเอาไว้เช่นนี้ก็มีแต่คนที่มีฐานะดีจึงจะกล้าเอาอย่างท่านจือก้องได้ส่วนคนที่โลภเกินรางวัลก็ดีคนที่ไม่ค่อยจะมีเงินนักก็ดีดางก็ไม่ทําความดีอีกต่อไปเพราะไม่ได้เงินรางวัล จะทำไปทำไมดังนี้จึงเห็นได้ว่านักปราดนั้นไม่ว่าจะทำอะไรก็จะเป็นเยี่ยอยางแก่ผู้อื่นจึงต้องระมัดระวังจะทำอะไรผิดไม่ได้คนก็จะพากันทำตามอย่างผิดผิดไปด้วยความดีก็เลยเป็นความดีปลอมไปต่อมาท่านจืรู่ซึ่งเป็นสิทเอกของท่านของจือ่อเช่นกันอยู่มาวันหนึ่งท่านจืรู่ได้ช่วยคนตกน้าไปได้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 จะต้องมองในทัศน์กลับกันกับท่านคงจือเป็นแน่ชาวโลกจะต้องเห็นว่าท่านจือก้องดีช่วยคนแล้วไม่หวังสิ่งตอบแทนส่วนท่านจืดรูดนั้นไม่ดีช่วยแล้วก็ไม่ปฏิเสธการตอบแทนแต่นักปรา่านมองไกลการทำความดีที่มีคนนำไปเป็นเยี่ยงอย่างให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมได้จึงจะเป็นความดีแท้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 ที่หคือการทำความดีด้วยความสุจริตหรือทุจริตแต่กร น, นีมีคุณนางใจเสี่ยงท่านหนึ่งรับราชการในราชการของพระเจ้าอิงจงฮ่องเต้ฤกต์ศักราช 1,436 14ถึง 1,449 ้าท่านรับราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่มีดังพร้อยเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปต่อมาท่านปลดกเกษียณตนเองกลับไปอยู่ภูมิลเนาเดิมของท่านตีชนบทประชาชนก็พากันมาเคารพท่าน ต่างก็เปรียบพันดุดขุนเขาอันสูงสุดในแผ่นดินจีนคือไทซานและเปรียบดุดดาวเหนือที่สุกใสกว่าดาวใดๆในพิภพแต่มีชายขี้เมาคนหนึ่งมาด่าท่านซึ่งซึ้งหน้าท่านเห็นเป็นคนขี้เมาก็ไม่ถือโกรธกลับบอกคนรอบชายว่าอย่าไปเอาเรื่องกับคนเมาเลยปิดประตูเสียเถิดต่อมาชายขี้เมาคนนี้ได้รับโทษประหารชีวิตเมื่อท่านใจเสี่ยงรู้เขาก็เสียใจายมากรำพึงว่า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 บ้านเมืองเกิดทุพหิกขภัยราษฎรต่างแย่งชิงกันกินในกลางวันแสกแสงมีเศรษฐีท่านหนึ่งจึงไปร้องต่อในอำเภอขอให้ระงับเหตุการณ์ที่จะเกิดจราจนแต่ในอำเภอไม่เอาเรื่องคนยากจนก็เลยได้ใจพากันยื้อแย้งกันยิ่งขึ้นเศรษฐีเห็นไม่เป็นการจึงระดมผู้คนของตนออกปราบเองเรื่องจึงสงบการกระทําของเศรษฐีท่านนี้แม้จะรุนแรงแต่ก็ทําด้วยความสุดจริตใจหวังมิให้เกิดการจราจน จึงเป็นการทำความดีแท้อีกวิธีหนึ่งความดีข้อที่หกคือความดีที่กระทำขึ้นเครื่อง ก, กลางๆและทำอย่างสมบูรณ์ในคำพีเอกเกงได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่ไม่สั่งสมความดีจึงมีความดีไม่พอที่จะได้รับชื่อเสียงดีผู้ที่ไม่สั่งสมบาบย่อมไม่รับเคราะกรรมถึงตายได้ในประวัติศาสตร์ได้กล่าวถึงราชวงศ์เสียง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 แต่กรอนนี้มีเด็กสาวคนหนึ่งเข้าไปในวัดเพราะอยากทําบุญแต่มีเงินเพียงสองอีแปดความจริงราคาของเงินนั้นน้อยนิดเดียวแต่ค่าของความมีใจยอยากทําบุญนั้นเหลือหลายท่านจา ว, ว่าก็จึงกราอนุโมทนาคาถาเองให้ศินให้พรเองต่อมาหญิงนั้นได้เข้าวังเป็นพระสนมของห่องเตะมีเงินมากมายจึงนําเงินหลายพันตําลึงมาที่วัดนั้นอีกเพื่อทําบุญคราวนี้จะอาวาตให้พระลูกวัด กล่าวอนุโมทนาคถาและให้ศีลให้พรแทนเพราะสนมเกิดความสงสัยยิ่งนักจึงถามท่านว่าเมื่อก่อนนี้ข้าพเจ้ายากจนมีเงินทําบุญเพียงสองอีแปดแต่ท่านมากล่าวอนุโมทนาคถาและให้ศีลให้พรข้าพเจ้าโดยตนเองมา บ, บัดนี้ข้าพเจ้าพอจะมีเงินบ้างจึงนํามาถวายหลายพันตําลึงทําไมท่านกลับให้พระลูกวัดทําหน้าที่แทนเราท่านจาว่ากล่าวว่า แต่ก่อนนี้แม้ท่านจะทำบุญน้อยแต่ใจท่านนั้นเตียมไปด้วยเจตนาที่เป็นกุศลมาบัดนี้แม้ท่านจะมีเงินทำบุญมากแต่ใจของท่านนั้นไม่เหมือนแต่ก่อนเชืยอแล้วจึงไม่จำเป็นที่จะต้องให้อัตมาไปกล่าวเองนี่คือตัวอย่างของการทำดีที่ไม่จำเป็นต้องอาศัยราคาของเงินมาวัดความดีนั้นทำบุญด้วยเงินน้อยนิดกบเป็นบุญที่เต็มเปี่ยมเพราะจิตใจที่เต็มเปี่ยมด้วยกุศ ล, ลเจตนา แม้ทำบุญได้เงินมากมายหากจิตใจมีศรัทธาเพียงครึ่งกลางๆการทำความดีนั้นก็จะให้ผลเพียงครึ่งกลางๆเท่านั้นอีกตัวอย่างหนึ่งมีเซียนท่านหนึ่งชื่อว่าจงหลีท่านเป็นชาวฮั่นก่องคริสตศักราช206ถึง220เมื่อตายได้สาเร็จเป็นเซียนผู้พิเศษเสวยสุขอยู่บนสวรรค์หลายร้อยปีจนถึงสมาราชวงศ์ถัง คริธศักราช618ถึง907ท่านเซียนจงหลีก็รับลูกศิษย์ไว้คนหนึ่งมีชื่อว่าท่านลือต้องปิงต่อมาจนถึงปัจจุบันผู้คนเรียกท่านว่าลือโจ้ท่านลือโจ้เป็นคุณนางรับราชการเป็นแนมเพออยู่สองครั้งเมื่อมีโอกาสพบเซียนผู้วิเศษท่านก็ได้รับถ่ายทอดวิชาต่างๆในลทัทธิเตา๋ารวมทั้งการนั่งสมาธิด้วยท่านจึงลาออกจากราชการ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 ในลูกศิษย์ของท่านเป็นอย่างยิ่งเพราะคำพูดเพียงคำเดียวก็แสดงให้เห็นความเป็นคนของท่านลือโจวว่าสูงส่งเพียงไรท่านจึงกล่าวกับศิตรักของท่านว่าการที่จะบรรลุความเป็นเซียนนั่นจะต้องสั่งสมคุณธรรมให้ได้ถึงสามพันอย่างคำพูดของเจ้าเพียงคำเดียวก็เท่ากับได้สร้างคุณธรรมครบสามพันอย่างแล้วในพริบตาเดียว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 พลังแห่งกุศลธรรมเช่นนี้ใหญ่หลวงนักสา ม, มารถทำลายเคราะห์กรรมได้ถึงหนึ่งพันครั้งเพราะฉะนั้นการทำความดีจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณของเงินทองหรือวัตถุที่บริจาคแต่อยู่ที่ใจเราเท่านั้นที่จะทำจิตใจให้ว่างเปล่าจนสา ม, มารถบรรจุบุญกุศลได้เพียงใดต่างหาก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 พญายมสั่งให้คนเอาตะช่างมาปรากฏว่าบัญชีความดีนั่นแม้จะเล็กนิดเดียวแต่กลับมีน้ำหนักมากกว่าบัญชีความชั่วที่รวมกันแล้วทั้งหมดท่านเววยมีความสงสัยเป็นอันมากจึงถามพญายมว่าข้าพเจ้ามีอายุยังไม่ถึงสี่สิบปีชไนจึงมีความชั่วมากมายเช่นนี้พญายมตอบว่าเพียงแต่จิตคิดมีชอบเท่านั้นก็เป็นบาปแล้ว เ, เห็นผู้หญิงสาวสวยก็มีจิตปฏิพัตจิตที่คิดมีชอบเช่นนี้ก็จะถูกบันทึกในบัญชีความชั่วทันทีท่าเนเว่ยถามต่อไปว่าถ้าเช่นนั้นในบัญชีความดีอันน้อยนิดนี้ได้บันทึกไว้ว่าอย่างไรขยามยมตอบว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งห้องเตะทรงดําริจะซ่อมสะพานหินที่เมืองหกเกตท่านเกรงว่าราษฎรจะเดืดร้อจึงถวายความเห็นเพื่อยับยั้งพระราชดํารินั้นเสีย บัญชีความดีนี้ก็คือสมเนาที่ท่านทูนกลก้าบถวายห้องเต้นนั่นเองท่านเอเว่ยก็แย้งว่าแม้ข้าพเจ้าจะกระทําดังกล่าวจริงแต่ก็ไม่เป็นผลสำเร็จพระองค์ทรงดาเนินการไปแล้วไม่น่าเลยที่บัญชีความดีเพียงอย่างเดียวจะมีน้ำหนักมากกว่าบัญชีความชั่วที่กองอยู่เต็มห้องนี้พญายมจึงพูดว่าการที่ท่านวีเมตตาจิตต่อราชฎร เรงจะได้รับความลําบากกันมากมายกุศลจิตนี้ใหญ่หลวงนักถ้าหากทนยับยังได้ถึงเป็ตก็จะยิ่งเพิ่มความหนักอีกพลังแห่งกุศลกรรมนี้จะยิ่งใหญ่อีกหลายเท่านักแม้จะเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้ากต่ทาเพื่อชนหมู่ใหญ่แล้วไส้ความดีนั้นก็ใหญ่หลวงยิ่งนักหากทําดีเพื่อตนเองแล้วไส้แม้จะทําดีขนาดไหนก็ได้ผลเล็กน้อยมากลูกจงจําไว้ว่า